มีใครมีธุราอะไรหรือเปล่ามีจะถามอะไรหรืนนอเปล่ามันจากที่ไหนมาครั้งแรกแบบแาานา น, านไดยังกี่ปีมาแล้วเจ็ดแปบดบปีใช่ งันจะเสียอออตอนนี้ยังปฏิบัติว่าแบจะประกาศไปยันว่าทำไม่เก่งไม่ทํามันก็ไม่เก่งถ้าทํามันก็เก่งทุกอย่างมันอยู่ที่ทํำพอเราทําบ่อยๆก็เกิดความชํานาญขึ้นมา ดูแลไปเรากไม่จาเป็นจะต้องมาเป็นเหตุทำให้เราไม่ได้ปฏิบัติเรื่องการดูแลก็ดูแลไปเรื่องการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไ ป, ป, ปคือเรื่องลูกเราต้องดูแลเราก็ดูแลไปแต่เราก็มีเวลาที่เราจะปฏิบัติได้ เราท่าอย่างอื่นได้ทาไมเรามามาปฏิบัติไม่ได้เราห่วงลูกเราก็ยังไปเที่ยวได้นี่หเราห่วงลูกเราก็ยังไปเที่ยวได้นี่แหลแล้วทำไมเราไปปฏิบัติไม่ได้ระวามันจะโดนเป็นข้ออ้างทำให้เราไม่ปฏิบัติกันเรื่องหน้าที่การงานอะไรที่เราต้องทำเราก็ทำเราไป ฟังแบบกาวองคิดแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้ใเราก็จัดตารางเลยเวลาดูแลลูกก็ดูแลลูกเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธิไปเวลาดูแลลูกเราก็ปฏิบัติได้พร้อมๆกันเรามีสติอยู่การดูแลลูกคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ทำงานอะไรก็ให้อยู่กับงานที่เราทำงานทำอยู่ให้มีสติจดจ่ออยู่กับงาน เ, าเลี้งลูกก็เลี้ยงไปด้วยสติก็ถือว่าได้ปฏิบัติควบคู่กันไปดูแลลูกด้วยแล้วก็ได้เจริญสติไปด้วยพอลูก เ, เราไม่ต้องดูแลลูกเราก็มานั่งสมาธิได้การที่จะไปเปิดทีวีดูไปหาขนมกิน เราก็มาหาอาหารให้ใจดีกว่าใจต้องการอาหารแต่เราไม่ค่อยได้ให้อาหารกับใจเราบักจะให้อาหารกับตัญหาความอยากอยากกินอะไรก็หามากินอยากดูอะไรก็หามาดูยิ่งหามันก็ยิ่งหิวความอยากนี้มันไม่ได้หมดไปกับการหาความอยากมันกลับได้เพิ่มมากขึ้น พอได้อย่างนี้แล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นแล้วก็อยากจะได้อย่างโน้นนั้นเราอยาไปหาอะไรตามความอยากเวลาอยากดูทีวีก็มานั่งสมาธิเวลาอยากกินอะไรถ้ายังไม่ถึงเวลากินก็มานั่งสมาธิตัดมันไปเอเวลามานั่งสมาธินั่งหลับตา ดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือไม่เช่นนั้นก็ใช้พุโทโธก็ท่องพุโทโธไปพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธไปมีเวลาปฏิบัติเยอะๆมันไม่ยอมปฏิบัติเท่านั้นก็นเลยเวลาเอาไปทํางอื่ได้หมดแต่เวลาเอามาทํานั่งสมาธิเอามาทําไม่ได้เพาะมันไม่ชอบ ชอบอย่า ง, อ, งอื่นชอบดูทีวีชอบทำนู่นทำนี่แต่เวลาให้มาให้อาหารใจให้ของดีๆกับตัวเราเรากลับไม่ชอบตัดเนี่ยมกคนจะรัชีวิตมีใครเลือกตัดอนแบบเป็นเราไหมอ๋อมันตายแน่ๆมันไม่มีใครไม่ตายหรอกอ่า ก็ช่วยให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเรายอมตายมันก็ไม่ทุกข์อะคือมันทุกข์เพราะมันไม่ยอมตายทั้งที่ต้องตายด้วยกันทุกคนมันก็หลยทุกข์ไม่อยากตายรู้ยังไงกันน่ะเพราะความไม่อยากตายมันถึงทุกข์แล้วเราไปห้ามมันได้หรือเปล่าเวลามันจะตายเวลา คนจะตายนี่ไม่มีใครมาห้ามได้นอกจากการไม่มาเกิดเท่านั้นเป็นจะห้ามความตายได้ถ้าไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดถ้าอยากมาเกิดก็อย่ามีความอยากดีแล้ละ่ะฝันเห็นเราตายเนี่ยมันจะได้ทำให้เร า, เ, าเราจะได้เห็นว่าความตายนี่มันเป็นของจริง ถ้าไม่ได้ฝันถึงมันเราก็ลืมเราก็คิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อย่ยเรียกว่าฝันดี ล, นะลาฝันให้เราได้ได้เจริญสติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจถ้าเราคิดด้วยเหตุด้วยผลนั่มันไม่น่าจะมีเรื่องไม่น่าจะมีศานากาตายมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีใครไม่ตาย แล้วรไม่ยอมคิดด้วยเหตุด้วยผลกั่เรคิดด้วยอารมณ์อารมณ์ก็บอกว่ายัางไม่อยากตายก็จะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ล่ะถึงร้อยปีถึงร้อยปีก็ยังไม่อยากตายมเวลาไหนที่อยากจะตายนีเวลาสามีทิ้งไปเวลาลูกตายก็นี่ก็อาจจะตายอยากจะตายก็ได้แต่อยากจะตายก็ทุกอีกแบบนึ่ง ถ้ายังอยู่อยากจะตายก็เป็นค่านทุกข์ถ้าเวลาตายยังอยากจะอยู่ก็ทุกข์เราต้องหย่าไปในความอยากอยู่ด้วยอยากตายเราต้องเฉยๆอยู่ก็ได้ตายก็ได้เหมือนกับฝนตกเนี่ยตกก็ได้ฝนไม่ตกก็ได้มันไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่เราไปยุ่งกับมันเองร่างกายนี้ก็เหมือนกับฝนนะ ร่างกายมันจะอยู่งี้มันจะตายมันก็เหมือนกับฝนเนี่ยฝนมันจะตกอไม่ตกมันก็เหมือนกันทำไมเราไม่ทุกข์กับฝนอ่ะฝนจะตกหรือฝนไม่ตกแล้วเห็นไมอ่ะอ่าเราร่างกายเร้ไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะอ่ามันเป็นอะไรมันก็เหมือนกันอ่ะมันก็มีเกิดมีตายเหมือนกันพอหน่มีตายมีเปลี่ยนชื่อย้ายบ้านอ่าแล้วตายไหม แล้วไม่ตายถ้ตายก็อาจจะตายช้ า, าเอยไม่รู้ไปแล้วก็นั่นแหละตายช้าตายเร็วก็ไม่ได้อยู่ที่ชื่อหรอกคนที่ชื่อดีตายวันนี้ก็มีใช่ไหมลองไปเปิดดูไปตามวัดดูมีชื่อดีๆมั้ง น, นะคนที่ตายเนี่ยน้อยคนที่จะมีชื่อไม่ดีเพรเกิดมาแล้วก็พยายามหาชื่อดีๆกันเดี๋ยจะได้ไม่ตายกันไปดูศิล ง, งานศพเนี่ยไปตามวัดต่างๆ รับรองได้ร้อยทั้งร้อยมีแต่ชื่อดีๆเท่า น, น, น, น, นไม่ได้อยู่ที่ชื่อหรอกจะตายไม่ตายตายไม่ตายอยู่ที่เกิดไม่ไม่เกิดใช่ไหมถ้าเกิดแล้วตายไหมถ้าไม่เกิดแล้วตายหอนั่นสิถ้าไม่อยากตายก็อย่ามาเกิดเนี่นยพร เ, เจ้าสอนให้เรามาปฏิบัติเพื่อจะได้ไม่กลับมาเกิดกัน เมื่อไม่เกิดแล้วนั้นถ้าไม่อยากตายก็รีบปฏิบัติเสจะได้ไม่เกิดแต่ร่างกาย น, นี้มันตายแน่ๆนั้นก่อนที่มันจะตายเอามาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ดีกว่ามันั่งทุกข ก, กับมันไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แทนที่จะมาทําประโยชน์ให้กับเรามันกลับมาทําโทษให้กับเราด้วยความโง่ ข, ของเราเอง ก็คือไปหลงคลิดว่ามันเป็นตัวเราตอมันคิดว่าเป็นตัวเราแล้วก็อยากจะให้มันไม่ตายแต่เราไม่ได้ตายไปกับมันเราไม่รู้เลยใชื่อไหมเวลาร่างกายตายนี่เราไม่ได้ตายไปกับมันเหมือนกับเวลาฝนหยุดนี่เราเราตายไปกับฝนหรือเปล่าแต่เราก็ยังอยู่นะเวลาร่างกายตายเราก็ยังอยู่ไม่ใช่ถ้าเราไม่อยู่เราจะกลับมาเกิดได้ยังไงเขาไปกลัวทาไม เราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่ล้านล้านนะพอร่างกายอันนูนตายไปก็มาได้อันนี้เดีย๋ยวอันนี้ตายไปก็ไได้อันใหม่แล้วก็มาทุกข์กับมันทุกข์ร่างกายพอได้ร่างกายแต่ร่างกายมาก็หลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพออะไรเป็นของเราก็ไม่อยากให้มันจากเราไปพอมันจากเราไปก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาทุกซ้ํกัซ้ำซ้ำซาก ว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ได้ศึกษาความจริงการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการศึกษาความจริงจะทำให้เราเห็นตัวเราว่าไม่ใช่เป็นร่างกายตัวเราเป็นเจ้านายของร่างกายร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ อันนี้จะมาที่นี่ได้ต้องสั่งมาก่อนหรือเปล่าต้องคิดหรือเปล่าถ้าไม่คิดจะมาได้ไมไทยเป็นคนคิดอ่ะนั่งกายคิดด้วยเราคิดอ่ ะ, อะแล้วเราเป น, นั่นกายหรือเปล่าไม่เป็น <Yeah. S 2> ยังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แน่ใจจ <laughs> ะไม่ได้กรับาไม่ไม่ยอมไปทันใจลองปฏิบัติ ด, ดูนั่งสมาธิดู ใจสงบแล้วจะจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราแล้วเราก็จะไม่กลัวตายไม่จริงเ้่าเลย จาดเวลาไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีเวลาครับอพราะญาติโยมาได้ทั้งวันทั้งคืนเราคนเดียวรับแขกทั้งวันทั้งคืนไม่ไหวก็เลยต้องขอจัดเวลาสองเวลาเวลาเช้ากับเวลาบ่ายเวลาเช้าก็ที่สาราฉันกลับมาจากเบญจบัติก็ประมาณเจ็ดงแล้วก็ฉันประมาณ8ปดโมงวันเสาร์ที่ตอนเช้าก็มีเทศ เ่ชั่วโมงแล้วก็ฉันปจะเร็จก็9โมง -10 โมงตอนบ่ายก็บ่าย2โมงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเทศก็มีคนมาเยอะมานั่งฟังเทศกันวันธรรมดาอย่างวันนี้ก็สนทนากันในอะไรฐานก็ตอบกันไป ไม่มีก็พูดไปเรื่อยๆแล้วแต่จะมีอะไรมาให้พูดก็พูดไปวันนี้ก็พอดีมีเรื่องของความตายมาให้พูดความตายมันไม่เป็นสิ่งอันตรายหรอกมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์หรอกแต่ความกลัวตายความอยากไม่ตายนีทําให้เราทุกข์เพราะความหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นเรา พออะไรเป็นเราเราก็ไม่อยากให้มันจากเราเรายึดติดแต่เราไม่เคยศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าเราสามารถยึดติดกับมันได้ตลอดเวลาหรือไม่เราก็ยึดได้ขณะที่มันมีอายุมีชีวิตอยู่ทั้งนี้พอเวลามันตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะยึดมันได้ก็ต้องปล่อยมันไปถ้าไม่ต้องไป เสได้แล้วมันไม่ได้เป็นตัวเราเหมือนรถยน์คันนึ่งนั่นเองรถยนต์เราก็ใช้เงินไประยะพังแล้วก็ทิ้งเงินไปถ้าเรายังอยากใช้รถใหม่แล้วก็ไปซื้อคันใหม่มาใช้ถ้าเราเบื่อไม่อยากจะมีรถก็มีรถก็มีภาระต้องซ่อมต้องเติมน้ำมันต้องดูแลรักษาแล้วก็ต้องจากเงนไป ร่างกายก็เป็นอย่เหมือนรถยนต์นี้แต่เรามีเราก็ต้องดูแลรักษาวันวันหนึ่งก็หมดเวลาไปกับการเลี้ยงตากเ้ยงท้องไปเยอะแล้วก็มาห่วงมาห่วงมากังวลกับมันกลัวมันจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บกลมันจะไปเกออิดโรคบางทีเห่กลัวมันจะลอมตา เพราะเราไปหลอนคิดว่าเป็นตัวเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ก็ไม่มีใครรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเชื่อพระพุเจ้าเราก็ต้องอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเราก็ดูเลยมันมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปไม่ไช่เลยมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปดูคนตายจัดูร่างกายกลายจะนอย เวลาเขาเผาเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือที่เท่าเหลือเศษกระดูกก็มีเท่านั้นน่ะต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนต่อให้ล่ำรวยขนาดไหนก็ร่างกายก็ตายเหมือนกันไม่มีใครยับยัง้งความตายได้แต่เราสามารถยับยัง้งความทุกข์ได้ถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเราไม่รู้เราก็เชื่อพระเจ้าก็ได้เชื่ออย่างสนิทใจเลยแล้วก็ไม่ไปยึดไปติดกับร่างกา ย, กายปล่อ ย, ยให้มันตายไปมันอยากจะตายก็ให้มันตายแล้วเราจะไม่ทุกข์ทุกข์าะไม่ยอมตายเลถ้ายอมตายแล้วจะไม่ทุกข์แล้วก็อยากกลับมาเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ต้องมาทุกข์ใหม่ เกิดทีไรก็ต้องตายทุกครั้งทุกครั้งไปถ้าไม่อยากจะตายครั้งนี้ก็หยุดความอยากใช่ไมเพรความอยากเป็นเหตุที่ทําให้เรามาเกิดกันความอยากอะไรถึงทําให้เรามามาเกิดกันพราะเราอยากดูอยากฟังใช่ไหมอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากหาความสุขทางร่างกายใช่ไหมถ้าอยาก หาความสุขทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็พาให้เราไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าเราไม่อยากจะมีร่างกายอันใหม่เราก็หยุดความอยากเราทําความอยากให้ตายไปถ้าความอยากตายแล้วก็จะไม่มีตัวที่จะพาเราไปหาร่างกายอันใหม่ พอไม่มีร่างกายใหม่ก็ไม่ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาจะอยู่ความอยากได้ก็ต้องมานั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาเตือนใจสอนใจเวลาอยากได้อะไรก็อยากไปอยากไปทําตามความอยากพอไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากก็หมดไป เมื่อไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีวันที่จะมาเกิดใหม่เรื่องของความกายมันเป็นตัวที่จะจุดชนวนให้เราได้ศึกษาความจริงของร่างกายเป็นตัวที่จะทําให้เราได้แก้ปักแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดปัญหาของเราก็คือความอยากที่มีอยู่ในใจของเราที่ทำให้เรามาเกิดกัน เกิด แ, แล้วก็อยากอยางไม่ตายกันอยาอยู่ไปเรื่อยๆแต่ร่างกายนี้มันไม่มีวันที่จะอยู่ไปได้เรื่อยๆมันถึงเวลามันก็ต้องตายเหมือนฝนเนี่ยมันไม่ตกไปเรื่อยๆหรอกมันตกไปได้สักพักหนึ่งมันก็หยุดเราไม่ทุกข์กับฝนเวลาฝนตกเราไม่ทุกข์เวลาฝนหยุดเราไม่ทุกข์แต่เวลาเวลาร่างกายหยุดเราทุกข์ เพราะเราไม่อยากให้มันหยุดอยากจะให้มันตกไปเรื่อยๆอยากให้มันอยู่ไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันจะอยู่ไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีมามีไปฝนตกก็เกิดลวพอฝนหยุดเจ้าผนก็ดับละเกิดดับของฝนเป็นเรื่องปกติของทุกอย่างร่างกายเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติร่างกายของเราก็มีเกิด เกิแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไว ม, มาวไม่ใช่จะมาเป็นเพียงแค่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตายที่มีการเกิดตายนั่นก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาถ้าไม่อยากจะแกะ่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็อย่า ก, กลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องหยุดความอยาก <loans> จะหยุดความอยากก็ต้องปฏิบัติทำจเจริญสมถาภาวานาวิปัสนาภาวานาสมถาภาวานาก็คือนั่งสมาธิทำใจให้สงบใช้บริกรรมพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆเวลาทำอะไรเลี้ยงลูกเลียเ้ยงเราทำงานอะไรก็พุทธโธไปก็ได้ปฏิบัติแล้วพอเวลาว่างจากการทำงาน ก็นัหลับตาพุโทธโธพุทโธไปใจก็จะสงบสงบแล้วความอยากก็หายไปชั่วคราวพอความอยากหายไปความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะทําให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความไม่อยากนี่เราจะทําให้เรามีกําลังใจฝืนความอยากเพราะถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องฝืนความอยากไม่ใช่ทําตามความอยาก ทำตามความอยากแล้วมันทำให้เราทุกข์มากกว่าสุขฝืนความอยากมันทำให้เราสุขมากกว่าทุกข์เพราะถ้าเราหยุดความอยากได้ความทุกข์จะหายไปเวลาอยากนี่มันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาอยากแล้วใจอยู่ไม่เป็นสุขนะอยากอยู่พอจะถึงความตายก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าหยุดความอย า, อยากอยู่ได้ อยู่ก็อยู่ก็ได้ตายก็ได้มันก็จะไม่ทุกข์เราต้องมาสร้างสติกันเพื่อหยุดความอยากกันพอความอยากหยุดด้วยสติมันก็จะสงบใจก็สงบใจก็จะมีความสุขใจก็จะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากความสงบเกิดจากความไม่อยากความไม่มีความอยาก แล้วต่อไปเราก็จะฝืนความอยากได้วลาอยากได้อะไรก็อยากเอามาถามว่าจําเป็นไหมถ้าไม่มีแล้วตายไหมถ้าไม่ตายก็ไม่จําเป็นอยากจะได้กระเป๋าใบใหม่นี่จําเป็นไหมอยากจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่จำเป็นไหมถ้าไม่จําเป็นก็อยากไป เพราะการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างภพชาติขึ้นมาใหม่สร้างการเกิดให้เกิดขึ้นมาใหม่ถ้าไม่อยากจะเกิดต้องไม่ทำตามความอยากอยากแล้วเดี๋ยวมันก็อยากไปเรื่อยๆเวลาร่างกายตายไปความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากยังนกยังมีอยู่ก็พาเราไปเกิดใหม่แต่ถ้าทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากความอยากก็จะหายไป เราต่อไปเวลาร่างกายตายไปก็ไม่มีความอยากจะพาเราไปเกิดนะเราก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าเราทำตามความอยากเราก็มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ใช่ครั้งเดียวไม่รู้กี่ล้านครั้งแนละ้วถ้จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆยังต้องมาปฏิบั ต, ติเริ่มต้นที่สติพุทโธพุทโธไปเลี้ยงลูกกับพุทโธไป เลี้ยงเลี้ยงเราก็พุโทโธไปทำอะไรก็พุโทธโธพุทโธไปพอมีเวลาว่างก็มานั่นหลับตาพุโทธโธพุทโธทำใจให้สงบให้ความอยากหายไปไพอความอยากหายไปก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่มันยังไม่หายไปอย่างถาวรอนมันจะหายต่อเถอะให้ถาวรอนต้องใช้ปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วอยากจะทำอะไร อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอะไรก็ต้องให้ปัญญาสอนใจว่าอยากทำทำแล้วมันจะติดติดแล้วจะท่องทำไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้ทำก็จะทุกข์ตอนนี้เราอยากทำมันทุกข์นเดียวยอมทุกข์ตอนนี้แล้วเดี๋ยวพอเราไม่ทำแล้วต่อไปมันก็จะมันก็จะไม่อยากแล้วของไม่อยากแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ติดต่อไป นี่คือการปฏิบัติไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้นะครูบาอาจารย์สอนเราได้แต่ปฏิบัติให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่หาเวลามาปฏิบัติมันก็จะไม่มีวันที่จะปฏิบัตินะทั้งๆที่มีเวลาเยอะแยะแต่เอาไปใช้อย่างอืง่นเอาไปดูไปฟังไปกินไปเล่นไปเที่ยวไปทำอะไรกัน แต่ไม่ยอมมานั่งสมาธิมาหยุดความอยากกันไม่ยอมพุทธโธกันปล่อยให้ใจคิดเรืเ่อยเปื่อยคิดถึงกคนนั้นตคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วก็วุ่นวายใจไม่สบายใจเราต้องควบคุมใจเอาพุทธโธ ท, ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็าพุทธโธไปไม่ว่าทําอะไรก็พุทธโธไป ถ้าต้องคิดเรื่องงานการก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวถ้าไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จาเป็นก็อย่าไปคิดมาคิดพุโทโธพุธโทโธไปทา ง, งานก็พุโทโธไปทำอะไรก็พุโทโธไปเราก็มานั่งเวลาไม่มีอะไรต้องทำก็มานั่งหลับตาพุโทโธพุธโทโธต่อแล้วจิตก็จะรวมเป็นสมาธิแล้วก็จะมีความสุข จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้พอปัญญาสอนว่าอย่าไปทํทาทํแล้วจะทุกข์มากกว่าสุขแล้วก็หยุดทาไม่ว่าเราทําอะไรตามความอยากมันจะสุขเดียวเดียวแ้าเดี๋ยวก็จะมีความทุกข์ตามมาอยากอยากมีลูกวอได้ลูกมา ก, ก็สุขพอสุขแล้วทีนี้ก็เรามาทุกข์กับลูกนะทุกข์กับการเลี้ยงดูทุกข์กับการห่วงใย เดี๋ยวเวลาจากกันก็ทุกข์อีกเพราะเราไม่ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากมีลู ก, อกพอมีลูกแล้วก็ต้องมีทุกข์ตามมาไม่ใช่แต่ลูกอะไรก็ตามเหมือนกันพอได้อะไรมาแล้วก็ยึดติดว่าเป็นของเราพอเป็นของเราแล้วก็ต้องให้อ ย, ใหอยากให้อยู่ไปนานๆอยากให้ดีไปเรื่อยๆพอไม่อยู่ไปไม่อยู่พอไม่ดีก็เสียใจ เดี๋ยวลูกโตขึ้นเดี๋ยวลูกมันไม่ดีก็เสียใจอีกเดี๋ยวลูกเกเรลยไม่เชื่อฟังเราก็เสียใจอีกเพราะอยากให้มันดีไม่อยากให้มันเกรเรออพอลูกเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรไปก็เสียใจอีกเพราะไม่อยากให้ลูกเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราห้ามมันได้หรือเปล่ปาอะไรจะเกิดทามันห้ามมันได้เราไม่ใช่เป็นเทวดาเนี่ยเทวดายังห้ามไม่ได้ เราจะไปอ้ามร่างกายของเราไม่ให้เป็นอย่างนั้นตัว น, นี้ได้กาไปห้ามร่างกายของลูกเราไม่ให้เป็นอย่างนั้นตัว น, นี้ไมได้ถ้าเรารู้ว่าห้ามไม่ได้เราก็ต้องยอมมันจะเป็นก็เป็นถือว่าเป็นกรรมของมันไปไม่งั้เราก็จะทุกไปไม่มีวันสิ้นสุด ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้อยู่ที่ความตายความทุกข์อยู่ที่ความอยากของเราไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ตายทั้งนี้ถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยเวลาที่กนที่การก็เฉยอยู่กัมันได้ไม่มีปัญหาอะไรเราทงมาหัดทาใจให้เฉยให้ปล่อยวางทุกอย่าง อยากไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กพอยากเราก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากเราจะไม่ทุกข์ปฏิบัติได้ไห ม, อมลองเอาไปปฏิบัติ ด, ดูนะมนีใครอยากจะถามอะไรยีกไหมอยากนะคอ่ะอยากจะถามคะมว่าแม่แล้วก็น้อง น้องหายออกจากบ้านไปหลายปีในรับอุบัติเหตุแก๊สรบิดแล้วทีนี้หายไปจนอายุห้าสิบกว่ากลับมาเนี่ยเขามานั่งกินเหล้าแล้วด่าแม่นี่ก็สงสารแม่มันเป็นกรรมยังไงค่ะก็เป็นเรื่องของเขาอะเขาอยากจะดา่าก็ปล่อยเขาด่าไปเลยคือกินเหล้ามาแล้วดา่ดาด่าหมดทุกคนอ่ก็ปล่อยเขาด่าไปเลยแล้วกรรมมันถจก ม, มันเป็นที่อะไรนะเป็นที่แม่มีกรรมแล้วว่าเขามีกรรม คนที่ทํากรรมก็คือลูกคนที่ไปด่าเขาเนี่มันคนทํากรรมเดี๋ยวมันก็ต้องไปรับใช่กรรมของมันเดี๋ยวก็ต้องไปถูกคนอื่นก็ด่าอย่างนูฟังแล้วก็ไม่สบายใจนั่งฟงังจนอยากเข้าวัอ <c oughs> ก็กรรมของเราก็คือมาเกิดไงมาเกิดมามีลูกพอลูกไม่ดีมาด่าเราเราก็เสียใจ อย่างนู้นนี่เป็นเป็นลูกของแม่ทคำนี้ที่พูดเนี่ยค่ะ ก, ก็แม่ถ้าแม่ไม่มีลูกแม่ก็จะสบายแม่แม่ไปมีลูกอยากจะมีลูกคิดว่ามีลูกก็จะมีความสุขเนี่ยคิดว่าลูกจะดีลูกจะเิี้ยเราตอนแก่ที่ไหนได้ลูกมันกับมารมดาเราตอนแก่เอเพราะไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดก็ได้แล้ก็สงสารค่ะ ถ้าไม่ไปอยากก็ไม่ทุกข์หรอกถ้ามันอยากจะด่าก็ปล่อยมันด่าไปอยากไปอยากให้มันไม่ด่าเราให้คิดอย่างนี้ว่ามันด่าเราดีแล้วมันยังไม่ตีเราถ้ามันตีเราก็คิดว่าดีแล้วมันยังไม่ฆ่าเราก็ให้คิดเผื่อไว้เดี๋ยวเวลาตีเดี๋ยวจะเสียใจอีกไม่มีอะไรแน่นอนหรอก เกิดมันบ้าขึ้นมาวันดีขึ้นดีมันอยากจะทุบตีขึ้นมาก็ได้อเวลาด่ามันต้องลองไปเถียงกับมันดูเถียวกับมันเดี๋ยวมันก็โกรธมันก็ทุบตีเอาแต่เวลาไม่กินเหล้าดีนะค่ะเวลากินเหล้าเราเป็นคนละคนไปเลยก็บอกมันอยากกินด้เวลามันเมาเวลามันเมาก็ถ่ายวีดีโอให้มันดูเนี่ยเอาเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่าย เราก็สงสารเวลาไม่มีตังเราก็ให้ให้เสร็จเราก็ไปกินหมดแล้วก็มานั่งด่าเราไปให้มันทํำไมล่ะคืสอสงสารน่ะพี่กาลเรไม่มีตังคิดว่าจะเอาตังใส่กระเป๋าหรือเอาไปกินหมดอะไรอย่างนี้ก็เป็นเวเนี่ยรู้แล้วเทนี้มันไปกินข้าวหน้าก็อย่าไปให้มันเลยก็ <c oughs> มานี่แล้วก็ไม่ไปให้หาด่วนไปให้มันมันอยากจะเอาอะไรก็ซื้อให้มันอย่าไปให้เงินให้เงินมันก็ไปซื้อเล้ากิน กินแล้วไม่ฟ้องก็ น, น, กนั่นรับคนเดียวก็เราเองอะ่ะเราไปคนให้เงินมันเองอะ่ะเราไปเราไปโทษใครคือความอยากนาดกนะเขย่าแล้วก็มาทุบเองด่าหมดแล้วเราฟังแล้วภาษาเสียอ่าภาษาเสียก็อย่าไปเสียอย่าไปให้เงินมันเส้อเล่ากินดิก็ ถ, ถึงได้มานี่ก็ให้ไปแล้วก็มานี่ยมาทําไมที่นี่มันไม่มีอะไรอย่าไปให้เงินมันก็อยู่มันไม่มีค่ามันไม่มีเหล้ากินมันก็ไม่ด่าใครแล้วล่ะ เดี๋ยวกับไปก็ต้องไปเจอมันหนิเจอมันหนยก็ใจอ่อนก็ให้เงินมันหนอยาีกแต่เรื่องอยากออกไปนะคะคืออยากสงสารไม่ต้องสงสารสงสารไม่เข้าเรื่องสงสารได้ให้มันสงสารให้มันเกิดเพราะความอยากตัวเดียวนะสงสารในสิ่งที่ดีได้อต่ยังไปสงสารในสิ่งที่ไม่ดี ไม่อยากจะกินเหล้าอยากให้เขากลับใจว่าเออทุกตังไว้เวลาหิวขนมไปซื้อไปกลับไม่ใช่อย่างนั้นก็รู้อยู่แล้วคนอยากกินเหล้าพอมันมีเงินมันจะไปซื้อขนมทําไม <c oughs> ใช่ไหมมันไม่อยากกินขนมอ่ะถ้าไม่อยากกินขนมมันก็ซื้อขนมมานานแล้วอ่ะ <c oughs> เราเองอ่ะเราเป็นไปส่งเสริมเขาเองเ <c oughs> ขาไม่มีเงินก็จะซื้อเหล้ามากินได้ยังไง เมื่อเขาไม่มีเหล้าเขาจะมาดา่าคนนั้นคนนี้ได้ไงถ้าเขาไม่เมาแต่ก็เอิญมันมีงานด้วยค่ะอาจารย์คณะอาจารย์เรามีงานศพงานอะไรเขาก็ไปกินคืนอจะ ก, ก, กินฟรีแล้วก็มดาด่าถึงเราไม่ให้ไองาน ม, นมันมีงานาาไหวก็ถังไว้นไม่ในบ้านเนี่ยมันไปเลยไคขาก็ะเพกก็เพกกไปอ่ะกงถูกไว้ก็ทังไว้ถูกไว้เลยอายุห้จุดกว่า ừ, <laughs> ก็เหมือนหมาอ่ะคนเมาก็เหมือนหมาดีๆเนี่ย ไหว้ไ ม, ม้เป็นแปลเราว่ามันก็อย่างนี้เขนอนข้าบนเขาถูข้างล่างเสียงคนขาดังกรรมของเราแล้วก็กรรมของแม่นั่นแหละเราไม่ฉลาดเองเราโง่อเองก็มีสองวิธีถ้าเข้ามาแล้วก็ดา่าแล้วก็ทําใจเฉยๆแล้วก็หมดเรื่องอเหมือนฝนตกเราทําใจได้ไนะหมเวลฝนตก คนสองนี่เสียงดังยิ่กว่าเขาได้ทําไมเราทนได้ในคำด่าของเขาไหนสิ่งที่ยอมไม่ได้ที่เขาดาแม่เราคุณเลือกเราเหมือนกับมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีมันจะทุบกระเชยใหญ่ไปดา่าเราควบคุมอารมณ์ไม่เป็นถึงว่าฝึกมาหาสิกฝึมาพุทโธพุทโ ธ, ทธถ้าอยากจะดับอารมณ์ต่างๆก็ต้องใช้พุทโธต้ อ, องพุทโธไปเวลาเกิดอารมณ์ปั๊บก็พุทโธพุทโธไป อารมณ์นี่เหมือนไฟพุทโธนี่เหมือนน้ำดับไฟฉีดไฟฉีดน้ำเข้าไปได้เรื่อยเดี๋ยวไฟก็ดับเองเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทาให้เกิดอารมณ์เดี๋ยวมันก็หายไป เ, เดี๋ยวมันก็ดับปัญหาทั้งหมดอยู่ที่เราเราควบคุมใจเราไม่ได้ ถ้าเราควบคุมใจได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆใครจะดีใครจะชั่วใครจะทําอะไรมันไม่เกี่ยวกับเราเราไปยุ่งกับเขาเองใช่ไหมไปอยากให้เขาไม่ด่าใช่ไหมถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเราก็จะไม่ทุกข์ <c oughs> ด่าก็ด่าไปดรืย ถ้าทําใจได้แล้วจะไม่จะไม่เดือดร้อนถ้าพูดโทพูดโทรไปจนใจสงบแล้วต่อไปจะไม่เดือดร้อนใครจะทําอะไรก็เฉยสบายคนดา่าเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็อยู่เองเราไม่ได้ทําอะไรเราไปไปไปเหนื่อยแทนเขาทําไมเราอยู่เฉยเราสบายอยู่แล้วเต็มแม่เขาไม่เป็นไรเขาหิวไม่ดีเราเต็มเต็ม นทำไมาว่าเราอีก เ, า เ, าเราไม่ได้ยิยนว่าลูกชายเรเอปัญหาก็อยู่ที่เราเราทาใจไม่ได้ก็าามาทำใจนะมาบ่อยๆมาแค่ครั้งเดียวไม่พอหรอกเดี๋ยวกลับไปก็ยังเหมือนเดิมอยู่สามาจากบ้านนอกเลยต้องทำจนกระทาั่งสามารถควบคุมอารมณ์ได้ วันี้มาจากที <Initiative> to to Ooh, okay. mm ่ไหนเคยมาหรือเปล่าทางใต้ทางใต้มาจากที่ไหนตุรกีตุรกีเดี๋ยวก็เดินทางไปตลาต่อเอามาของบริษัทหรือของราชการฮะ เอาเลยไม่คยจะอยากนะเลยไม่ได้ขยายงานแต่ถ้าไม่ขยายานลูกองก็จะมาไม่ต้องบากหรอเราตายไปก็มีคนอื่นทําแทนเราได้เราไม่ทำเดี๋ยวคนนี้ก็อ่า แล้วคุณจะทำไปจนันตายหรือเปล่าคุณก็ต้องหยูดสักวันยังไม่ให้เนถะ้าอย่างน้ท้เราขยยงานานหยเก็จะิดนเพราะมีเก็บอที่จะเลี้ยงคอเากนี้แล้วถ้าเกิดบริษัทขาดทุนต้องปิดไปทันทีทันใดจะทำไงคุณไม่คิดว่ามันจะอยู่อย่างนี้ไปทุกวันเหรอ เปลี่ยนน้อยก็เลิกดีเลยทำไมทำไมทำไมะทำแล้วคุณสบายแล้วคุณทุกข์อ่เราอยนีอ่ออกิจการนีก็ดีอยรนนรเราจะได้สบายไม่ต้องมาทุกข์กับกิจการเรา<ม>ก็ไปหางานใหม่ถ้อ า, อ, าอย่างพวกนายคุณที่ แม่มีคุณธรรมก็เติบโตแต่เพียงด้านเจริญก็เรื่องของเขาเราไปห้ามขอได้ที่ไหนก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกนี้เป็นโลกของของคนที่ไม่มีคุณธรรมเป็นส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้เขาเติบโตมันไม่ใช่เรื่องของเราเราห้ามเขาได้หรอเปล่า เราไปห้ามเขาเขาก็จะมาห้ามเราอีกเดี๋ยวก็กลายเป็นสองครั้ขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่ในสังคที่เราไม่มีตัเราจะจะลำบากกันไปหมดไหมคะก็ลําบากอยู่แล้วอะตอนนี้แล้วลําบากส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ลําบากเพราะว่าอดอยากขาดแคลนลำบากก็ไม่พอ ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมันก็เลยลำบากกันถ้ามันพอนี่มันไม่ลำบากหรอกตอนนี้มีมากกว่าที่เราต้องการที่ด้วยซ้าไปไหหอหลวงก็อยากให้คนชื่อมีอำนาจไหลวงก็บอกให้มีพอเพียงให้มีเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่พอกันเองเราถึงลําบากกันพอเราเห็นคนนี้เขามีมากกว่าเราเราก็อิดฉาริษยาไม่พอใจ ไม่อยากให้เขามีมากเพราะเราก็ว่าเขาโกงเขาไม่มีคุณธรรมอันงี้มันไ ม, ไม่จบหรอกถ้าคุณไปแก้ปัญหาที่คนอื่นปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณเองตัวคุณเองไม่มีความสุขเพราะคุณไม่มีความพอคุณอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วคนในโลกนี้มันมีเป็นร้านคุณจะไปทำให้เขาเป็นไปตามที่คุณต้องการได้หรอือ คุณมาทำที่ตัวคุณคนเดียวสบายกว่าเยอะอันใจให้พอแล้วใครจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเนี่ยเราไปสั่งไปควบคุมฝนฟ้าอากาศได้หรือเปลฝน ม, มันจะตกเราบอกอยาตกได้ไหมฝนไม่ตกสั่งให้มันตกได้หรืเล่ามันไม่ได้หรอกคนดีคนเชั่วมันก็เป็นอย่างนั้น เราไปสั่งให้เขาดีสั่งให้เขาไม่ชั่วได้แล้วกันเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขางั้นถ้าเราไม่อยากจะวุ่นวายใจเราก็มาหยุดความอยากของเราถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่วุ่นวายใจอ้าเดี๋ยวก็ตายกันในหมดรวยขนาดไหนก็ตายเหมือนกัน จนขนาดไหนก็ตายเหมือนกันไม่มีใครเอาอะไรไปได้ของในโลกนี้ไม่มีไม่ได้เป็นของใครใช่ไหเป็นสมบัติชั่วคราวมีมากก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีใช่ไหมคนมีสมบัติมากเกินที่คุณจะใช้คุณจะทำอะไรมันก็ตั้งไว้เฉยๆถ้าเป็นเงินก็เป็นตัวเลขในสมุดบัญชีว่ามีกี่หลักแล้วมีหกลักมีเจ็ดหลักมีแปดหลัก คุณก็กินเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมหายไปไอ้บัญชีหกหลกัลกเจ็หลักแปดหลักคุณก็ไม่เอาไปด้วยเห็นต่อให้มีรวยทำฟ้าก็เหมือนมีปัญหาถมาเห็นไม่เห็นจะวิเศษตรงไหนมีขนาดไหนมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นทุกข์ก็มันไม่พอมีก็อยากจะให้มีมากขึ้นไม่อยากให้น้อยลงพอไม่ได้มากขึ้นก็ทุกข์ พอมาน้อยลงก็ทุกข์ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ใช้มันอยู่ดีก็ยังทุกข์ไปกับมันพอเราใช้เงินจริงๆมันละักเท่าไหร่กันถ้าอาหารที่เรากินเงินจริงๆมันละสักเท่าไหร่กันเดือนละพักเท่าไหร่กันปีหนึ่งพักเท่าไหร่กันถ้าตอนนี้เรามีเท่าไหร่กันใช้ไปได้กี่ร้อยปี ความโลภความอยากมันทำให้เราไม่มีเหตุมีผลกันแล้ก็ทำให้เราทุกกันถ้าเราวองความจริงแล้วคนเราก็มีปัจจัยสี่ก็พอแล้วมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคก็คถือว่ามีทางผลได้แล้วถ้ารู้จักทำาแพอ ตอนนี้เสียงฝนมันดังไม่ได้ยินหรือล่าไมได้ยินเพะฉ้นปัญหาที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่คนหนึ่งอยู่ที่ตัวเราปัญหาของคนหื่นก็เรื่องของเขาเราไปแก้เขาไม่ได้เ น, นี้ยตอนนี้ฝนตกเราไม่อยากให้ตกก็ทำอะไรไม่ได้เราก็าเไม่ค่องวนวายกับฝนเรารรู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้ อย่ากให้เขาตกไม่ตกเขาก็ตกเองเพนี่ถวาต้องบูบรรยากาศของฝนแต่ตอนนี้นั่งสมาธิกันเดียวเดี๋ยวฝนหยุดแค่ว่าเขาตกเราปล่อยให้เวลาเสียไปทำอะไรไม่ได้ก็มานั่งสมานิทรีก่ น, นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไ ผลหยุดแล้วจะให้พรถ้าเดี๋ยวจะได้รือถามตอบช่วงที่สองต่อไปนี้ก็จะให้ทางบ้านได้ถามปัญหากันถ้ามีก็อ่านละอ่านเลยต่อไปเป็นคำถามจากจากทาง e b o o k ๊กไลฟนะครับจากคุณศรีสรีสุรางนะครับ การหยุดความอยากใช้พุโทโธเป็นตัวหยุดที่ดีที่สุดแล้วใช้ไหมเจ้าค้านหรืออาจมีตัวช่วยอื่นอีกเพื่อช่วยเร่งกำกัดความอยากให้หมดไปโดยเร็วก็วต้องเห็นโทษของความอยากก็นำไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความวุ่นวายใจแล้วมันก็จะหยุดได้อย่างถาวรถ้าหยุดด้วยสติด้วยพุโทโธมันก็จะหยุดได้ชั่วคราวเช่นอยากจะหยุดกาแฟ พออยากจะดื่มกาแฟก็พูดโทพุดโทไปพอพอลืมเรื่องกาแฟความอยากก็หายไปเดี๋ยวไปเห็นร้านกาแฟขึ้นมาเห็นคนเ้าดื่มกาแฟขึ้นมาก็อยากจะดื่มอีกแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าการติดก็เหมือนกับติดยาเสพติดคนที่ติดกับคนไม่ติดคนไหนสบายกว่ากันคนติดกาแฟก็ต้องหากาแฟดื่มไปเรื่อยๆ คนที่ไม่ติด ก, กาแฟก็สบายไม่ต้องหาให้เหนื่อยยากอันนี้ต้องเป็นเรื่องของปัญญาเัื่อจะทำให้เราเลิกได้อย่างถาวรคําถา ม, ถามข้อต่อไปนะครับจากคุณไอดอลนะครับถ้าเราสกข่วยใต้ดินแล้วเรานําเงินส่วนหนึ่งทีู่กข่วยไปทำบุญเราจะได้บุญไหมครับถ้าได้จะได้น้อยหรือมากหรือว่าไม่ได้บุญเลยแต่เจตนาจะทำบุญ เงินทองที่เราได้มาไม่ว่าจะได้มาทางไหนก็ตามถ้าเราไปทำบุญเราก็ได้บุญเหมือนกันมากน้อยก็เท่ากันคือหมายความว่าทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเพียงแต่ว่าเงินที่เราหามานี่มันหามาแบบไหนถ้าหามาแบบมีโทษมันก็จะมีโทษติดตัวเรามาเช่นเราไปรักขโมยเงินของคนอื่นมาทำบุญ มันก็จะมีโทษเดี๋ยวเขามาตามจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางได้ยันใดการหาเงินนี่ก็หาได้หลายรูปแบบหาแล้วไม่มีโทษก็ได้หาแล้วมีโทษก็ได้อันนี้มันคนละเรื่องกันเรื่องการหาการเรื่องการทาบุญนี่มันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันถ้าเอาไปทำบุญก็ได้บุญเช่นรอเป็นฮู้ดเนี่ยสมัยก่อน เขาก็ไปก้นเงินคนรวยแล้วก็มาแจากคนจนคนจนก็รักเขาคนที่ได้เงินก็รักเขานนเขาก็มีความสุขที่ได้ช่วยด้วยคนจนแต่ทางบ้านเมืองเขาก็มาตามจับไปเข้าคุกเข้าตารางเพราะไปเอาเงินของคนอื่นมาโดยมิชอบแต่ถ้าไปหาเงินมาด้วยวิธีสุดจริตก็จะไม่มีใครมาตามจับเราเข้าไปเข้าคุกก็กล า, าง เราต้องแยกว่ามันเป็นคนละบัญชีกันบัญชีบุญกับบัญชีบาปทาบาปก็มีผลตามมาแล้วก็ไปทาบุญก็ไม่สามารถลบล้างบาปที่เราทาได้แต่บุญที่เราทามันก็จะทำให้เรามีทางสุขได้แทนแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวเอาเงินไปช่วยเหลือคนยากคนจนความสุขจะต่างกัน ความสุขที่ได้จากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนี่มันจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปทาตามความอยากต่างๆคำถามจากคุณบุญช่วยนะครับขอถามพระอาจารย์เราจะลดความคับแท้นใจได้อย่างไรก็ต้องให้อภัยแอ่เมตตาให้อภัยอย่าถือโทษโกรเคืองกันคิดจะว่าเป็นเหมือนเน้นกับฟัน บางทีมันก็ขบกันเวลาฟันไปกัดลิ้นเราไปเราไปโกรธฟันหรวป่าโกรมันก็ยิงทำมันก็ไม่ได้ไปแก้กความเจ็บที่เกิดจากการที่ฟันนไปกัดลิ้นใช่ไหมมันก็ผ่านไปแล้ ว, ลวใครก็ทำให้เราโมโหทำให้เราโกรธเคืองมันก็ผ่านไปแล้วไปโกรธไปอาฆาตพยาบามันก็ทำให้เราทุกข์มากขึ้นไป ถ้าเราบอกอไม่เป็นไรอยู่ด้กันก็มีบ้างมีเถอพังกันอาจจะเหยียบเทาบาาจจ้ากันบ้างอาจจะสะดุดขัดแข้งขัดขากันบ้างก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่ต้องมาเจอเขาถ้าไม่อยากจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็พยายามอยู่ห่างๆเขาอย่าไปอยู่ใกล้เขาเราความโกรธก็จะน้อยลงไป คำถามจากคุณเบนนะครับเมื่อเรานั่งสมาธิจิตสงบไปจนถึงพราวะหนึ่งเกิดแสงสว่างแล้วควรจะ ก, กำหนดตะคลองหรือกำหนดรู้เฉยๆหรือกำหนดละแสงสว่างนะั้น อ, อย่าไปสนใจแสงสว่างถ้าเราภาวนาอยู่แล้วก็ภาวนาต่อไปเช่นเราดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปหรือให้รู้เฉยๆสังแต่ว่ารู้ ให้อยู่กับผู้รู้อย่าไปอยู่กับแสงสว่างคำถามทกคุณนาริธนะคะนาโลกสวรรค์มีจริงไหมครับนาลกก็คือความสุขใจอันนาโ ก, กคือความทุกข์ใจสวรรค์ก็คือความสุขใจใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายใจนี้อยู่ในโลกทิพคํคำถา ม, มข้อต่อไปนะครับคำถามจากคุณเอนะครับ หนูทำงานระบบราชการแล้วเจอแต่หัวหน้าที่ชอบให้เงินเดือนเพิ่มพิเศษกับลูกน้องที่ชอบกระจกต่อคอไม่ทำงานถือว่าหัวหน้าเอาเงินหลวงไปใช้ในทางที่ผิดไหมคะหากใช่แล้วหัวหน้าจะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างก็ถ้าทํำผิดก็ถูกจับได้ก็ถูกลงโทษแล้วก็ก็จะมีมีกรรมตามมาเวลา ไปเกิดชาติหน้าก็จะถูกค น, คนอื่นเข้ามาขโมยเงินของเราไปถ้ารักทรัพย์ของผู้อื่นต่อไปก็ต้องถูกู้อื่นเข้ามารักทรัพย์ของเราไปคำถามข้อต่อไปนะครับถามว่าหนึ่งนิวรณ์ที่ขวางความสงบทั้ง5้าตัวเป็นตัวขวางทางเข้าสู่ความสงบ นักปฏบิบัติบางคนต้องเจอทั้งห้าตัวไหมหรือแล้วแต่กิเลสในใจของแต่ละคนบางคนมีสองตัวสามตัวหรือตัวเดียวแล้วแต่กิเลสตัณหาในใจของคนนั้นใช่หรือเปล่าครับหรือว่าทุกคนมีทั้งห้าตัวกันหมดมันก็ไม่แน่นอนอ่ะบางทีมันโผลมาตัวนี้แล้ววันหน้ามันอีกตัวหนึ่งโผขึ้นมาแต่ว่าไม่มีทั้งห้าตัว จะมีทั้งห้าตัวก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่โผล่ขึ้นมาทีเดียวพร้อมๆกนมันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะมันจะมาโผล่กี่ตัวก็พยายามกำจัดมันไปเสียก็แล้วกันไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีกี่ตัวหรือมีมากมีน้อยก็ถือว่าถ้ามีน้อยก็ถือว่าเราได้กำจัดมันมามากแล้วมันถึงเหลือน้อยถ้ามันมีมากก็แสดงว่า เรายังไม่ได้กําจัดมันเลยมันก็เลยยังมีมากอยู่ข้อที่2ก่อนหน้านี้หนูมีปัญหากับกาแฟกับเครื่องดื่มขนมของชอบต่างๆแต่พอมาวันนี้ตั้งใจเลิกดื่มกาแฟเด็ดขาดหลังจากที่เลิกแล้วกลับไปดื่มอีกแต่พอคราวนี้ตั้งตัะจนกไม่ดื่มเด็ดขาดบางครั้งมีความอยากบ้างแต่ก็ตัดความคิดนั้นได้แต่ก็มาเจอปัญหาอีกเรื่องที่ทําให้จมื่นตั้น และรู้สึกว่าปัญหามันหนักใจกว่ากาแฟกว่าเครื่องดื่มหลายเท่าก็ยังไม่ถึงความสงบเสียทีบ่อยครั้งที่เผลอสติหลุดทำให้ไม่สามารถเก็บอารมณ์ไม่ชอบใจไม่พอใจออกมาก็ยิ่งทำให้คนที่เขาไม่ได้มาอยู่วัดภาวนามองเราว่าแย่กว่าเขาที่อยู่บ้านเสียอีกจนบางครั้งมีความคิดว่าจะกลับไปเป็นนักบุญใช้ชีวิตชิว บวกภาวนาบ้างเล็กน้อยคุณภาพจิตใจอาจจะดีกว่าเป็นอยู่เสียอีกพอเทียบกับคนที่เขาอยู่บ้านหรือสี่ห้าบ้างแปดบ้างภาวนาบ้างชื่อบ้างคุณภาพจิตเขายังเก่งกว่าเราครับอีกเสียอีกไม่รู้ว่าเขาถามเขาเล่าครับอ็นไงเขาอยากจะให้ ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรานั่งรถไฟชั้นสามันนั่งรถไฟชั้นสองอไหนมันจะดีกว่ากันอะ่ะนั่งรถไฟชั้นสามก็เสียค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่านั่งรถไฟชั้นสองแต่ผลที่ได้จากการนั่งชั้นสองมันก็สบายกว่าชั้นสามแล้ยิ่งถ้าได้นั่งชั้นหนึ่งมันก็ยิ่งสบายแต่มันก็ต้องเสียค่าตัวแพงขึ้นไป งันการปฏิบัติมันก็มีเป็นชั้นๆ ช, ชั้นนักบุญกับชั้นนักบวชชั้นนักบุญมันก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าชั้นนักบวชก็ได้แต่ความสุขของนักบุญมันก็ซื้อความสุขของนักบวชไม่ได้ความทุกข์ของนักบุญก็จะมีมากกว่าความทุกข์ของนักบวชแต่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เราอยากจะตีตัวชั้นไหนก็ตีได้ รถไฟเครื่องบินก็จึงมีหลายๆชั้นให้คนที่มีความอยากจะประหยัดทรัพย์ก็จะได้เลือกใช้ชั้นถูกๆคนที่เขาอยากจะมีความสุขเขาก็ยอมจ่ายเงินเอาติชั้นหนึ่งเลยจ่ายสามเท่าของชั้นชั้นประหยัดก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรใครอยากจะเอาแบบไหนก็เอาไป ไม่มีใครที่จะมาตีตัวให้เราได้เราต้องเป็นคนเลือกตีตัวเอาเองอยากจะได้ความสุขมากก็ต้องจ่ายมากอยากไ ด, ได้ความสุขน้อยก็ต้องจ่ายก็จ่ายน้อยที่ค่าใช้จ่ายก็คือความทุกข์ยากลำบากนี่แหละถ้าทุกข์ยากลำบากมากก็จะสุขมากทุกข์ยากลำบากทางร่างกายแต่จะไปสุขทางใจถ้าสุขทางร่างกายมันก็จะไปทุกข์ทางใจ ก็แล้วแต่คำถามข้อต่อไปจากคุณวิทย์ายนะครับหลังจากนั่งสมาธิใช้ชีวิตประจำวันมีใครอีกคนตามเราเหมือนังาตามตัวชอบบอกคำตอบกับเราตอนที่มีคนเขาถามหรือพูดคุยกันสรุปเป็นผลจากสมาธิหรือเปล่าครับต้องทำอย่างไรต่อไม่เข้าใจคำถามเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรไปอีกครั้งนะครับอาจารย์ หลังจากนั่งสมาธิและใช้ชีวิตประจำวันเหมือนมีใครอีกคนตามเราเหมือนเงาตามตัวอชอบบอกคำตอบกับเราตอนที่มีคนเขาถามาหรือคนพูดคุยกันสรุปเป็นผลจากสมาธิหรือเปล่าครับไม่หรอกมันก็เป็นเรื่องของจิตเราที่มันมันเป็นอย่างนั้นเองผลที่อยากการนั่งสมาธินี่คืออุเบกขาคือใจกลางถ้ายังไม่มีก็แสดงว่ายังไม่ได้ผล คำถามก็ต่อไปจากคุณอัชรานะครับเวลานั่งสมาธิเข้าสมาธิได้ประมาณห้านาทีแสงไฟหลายๆสีตรงอุ น, นารมควรกำหนดอย่างไรต่อไปดีคะก็ดูลมต่อไปหรือพุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับแสงสีอะไรต่างๆที่ปรากฏให้รับรู้คำถามจากคุณแอมนะครับ ถ้าเราอยากจับปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงอยากปีกตัวอยู่สถานที่เหมาะสมแต่ติดตรงที่หน้าที่วางเป็นแม่ต้องเลี้ยงดูบุตรต้องทำอย่างไรดีครับดีครับก็ทำหน้าที่ต่อไปนะครก็ก็ปฏิบัติที่บ้านก็ได้ไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงดูบุตรทั้งวันยี่บสี่ชั่วโมงเยนะเวลาว่างก็นั่งสมาธิอย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปกินขนมเดิมกาแฟ เอาเวลาเหล่านั้นมานั่งสมาธิก็ได้คําถามพ่อต่อไปจากบุญจุมคดนะครับสมัยก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ปั้นอธิษฐานวัตถุมงคลต่างกับการภาวนาใหม่ครับแล้ววัตถุที่อธิษฐานจิตจะดีอย่างไรครับหรือเป็นเพียงของเราลึกนึกถึงท่านอันนี้เราก็ไม่รู้เราไม่เคยอธิษฐานที คำถามจากคุณวิบูลนะครับ<อ>การเรียนรู้การศึกษารู้กับการปฏิบัตริรู้แตกต่างกันหรือเปล่าครับออการรู้จากการเรียนเหมือนกับสิบปากว่าส่วนการรู้จากการปฏิบัติเหมือนเห็นหนึ่งตาเห็นมันต่างกันตรงนั้นนะ่ะสิบปากว่าสู้เท่าหนึ่งตาเห็นไม่ได้เรียนรู้เท่าไหร่เรียนจบพระไตรปิฎกก็เหมือนกับสิบปากว่า แต่ปฏิบัตินี่เหมือนกับหนึ่งตาเห็นคนที่ไม่เรียนรู้มากแต่มีหนึ่งตาเห็นกับรู้มากกับคนที่เรียนรู้มากแต่ไม่ได้เห็นจากการปฏิบัติอย่งันไม่ต้องอย่างนั้นไม่ต้องไปเรียนมากเอาแค่พุทโธคําเดียวพออให้รู้จักวิธีพุทโธนั้นพอแล้วเดี๋ยวจะเห็นมากกว่าคนที่เรียนจบพระไตรปิฎกเล้ <S 2> <S 2> <S อครับอ่าอันนี้อยากทราบส่วนตัวครับถ้าอัดพิธามควรจำเป็นควรศึกษาบ้างไหมครับอาจารย์ไม่ต้องเัยแต่อยากจะศึกษาก็ได้แต่มันถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติช่วมาปฏิบัติดีกว่าคำถามจะกคุณโดมิโน่ครับการสวดมนต์คือการทำให้จิตเป็นสมาธิใช่ไหมครับถ้าใช่เราไม่ต้องนั่งสมาธิแต่ไปเน้นสวดมนต์แทนได้ไหมครับ พอนั่งสมาธิเมื่อไหร่ง่วงก็นั่งสมาธิไปแล้วก็สวดไปแทนที่จะใช้พุทโธแล้วดูลมหายใจก็ใช้การสวดไปนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจมันก็จะสงบได้คําถามจากคุณเพนจันทร์นะครับสามีหงุดหงิดง่ายเจ้าตัวก็ทราบไม่ชอบใจตัวเองจะแก้ไขอย่างไรความหงุดหงิดก็เกิดจากความอยากนี่แหละ อยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจก็ุงุดหงิดขึ้นมาก็ต้องหัดลดละความอยากให้น้อยลงไปหัดใช้ความมากน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดหรืออยากน้อยๆเอาเท่าที่จำเป็นก็พ อ, พอสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าไปอยากคำถามจะคุณพิวนะครับข้อที่หนึ่งการขออโหสิกรรม ให้ผลลบล้างเรื่องที่ติดค้างกันได้จริงๆใช่ไหมคะก็อยู่ที่คนที่เขามีเรื่องกับเราเขาจะโหสิให้เรารึเปล่าบางทีเขาไม่ถ้าเราถ้าเราขอเอาโหสิโดยที่ไม่มีอะไรเป็นเป็นเครื่องเส้นเครื่องไหว้เขาก็อาจจะไม่เอาโหสิให้กับเราแต่ถ้าเรามีอะไรเป็นเครื่องเส้นเครื่องไหว้เขาก็อาจจะเอาโหสิให้กับเรา เป็เอาเงินให้เขสักล้านอย่างนี้เขาอาจจะอ่ะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้รักกันได้แล้วอาจารย์ครับการการขอโหติกรรมครับมีคนมาถามผมหลายคนเกี่ยวกับการขอโหติกรรมกับพ่อแม่เราเองผมก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าเราขออโหติกรรมจากท่านเนี่ยยังไงท่านก็ต้องอาโหสิให้เราเพราะยังไงท่านก็รักเราแสดงว่าถ้าพ่อแม่โหติกรรมให้เรากรรม ทั้งหมดจากที่เกิดมาโดยกรพ่อแม่เสียใจแล้วก็จะล้างหมดเลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ล้างเหรอทั้งแล้วว่าพ่อแม่จะไม่เอาโทษกดเคืองเราแต่กรรมที่เราทำต่อพ่อแม่มันจะกลับมาหาเราต่อไปเราเป็นพ่อแม่ลูกมันก็จะทำกับเราคดีแพ่งกับคดีอาญาอาดีแพ่งยอมได้อาายังไงก็เกิดที่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ไม่ถือโทษเกิดเคืองเอาเอาโทษอะไร แต่กรรมที่เราทำนี่มันยังมีผลต่อเราเกิดต่อไปเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็จะได้เจอลูกแบบนี้เพราะบางคนหลายๆคนยังเข้าใจว่าถ้าเอาพ่อแม่ให้โหสิกรรมเนี่ยทุกอย่างเคลียร์หมดตั้งแต่ต้นเคลียร์เฉพาะพ่อแม่กับเราแต่กรรมที่เราทำไว้มันไม่เคลียร์ถ้ามันเป็นบาปมันก็ต้องมีผลบาป ต, ตามมาข้อที่สองนะครับต้องมาจาก ทั้งความตั้งใจของทั้งผู้ให้และผู้ขอถึงจะหักล้างกันได้หมดใช่หรือไม่คะคือระหว่างระหว่างผู้คู่กรณีถ้าถ้าเราไปขออภัยแล้วเขาพอใจที่จะให้อภัยมันก็ท้องก็ไม่ถือโทษกดเคียบเราท้องก็ไม่ฟ้องร้องเราแจ้งความจับเราเข้าคุกเข้าตาราง ก็อยู่ที่คนที่เราไปขอโอโหสิกรรมว่าเขาพอใจที่จะให้อภัยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเขาต้องการอะไรจากเราเช่นเราไปขับรถชนเขารถเขาเสียหายแล้วเราไปขออภัยเฉยๆนี่เขาคงจะไม่ให้อภัยเราหรอกแต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะซื้อรถใหม่รดเฉยรถเก่าให้เขานี่เขาก็อาจจะให้อภัยเราไม่ไปแจ้งความไม่ไปเอาเรื่องเอาความกันไอ้มันอยู่ที่ว่า เราสร้างความเสียหายให้กับเขาแล้วเราชดเชยชดใช้ความเสียหายนั้นให้กับเขาได้หรือเปล่าเขาพอใจหรือเปล่าถ้าเขาพอใจคดีความต่อกันก็หมดไปความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันมันก็หมดไปแต่ถ้าเราไม่ไม่ชดใช้ความเสียหายหเขาเขาก็ยังมีความไม่พอใจกับเราอยู่ คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณฟุกนะครับถามมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับซื้อของแล้วเขาทอนเงินมาเกินถ้าเราไม่สามารถนําไปคืนได้เราจะทําอย่างไรกับเงินนี้และผิดศีลไหมครับไม่ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคู่ที่ไปมีเจตนาที่จะไปเอาเงินนี้จากเขามามันเป็นการผิดพลาดของเขาเอง แต่ถ้าเราไปไปได้ทำไมาเราจะกลับไปใหม่ไม่ได้ก็ถ้าที่ว่ากลับไปไม่ได้จริงๆก็ถ้าอยากจะสบายใจก็เอาเงินนั้นไปทำบุญก็แล้วกันห้ือจะเก็บไว้ก็ไม่เสียหายตรงไห น, นถือว่าเป็นบุญของเราแล้วแล้วถ้าเอาไปคืนเขาครับแล้วจะมีผลทางด้านไหนครับอาจารย์เขาจะดีใจ เ, เ, <laughs> เขาจะขอบใจเรา เขาจะได้ความสุขและเขาจะเห็นเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณนรงเดชนะครับอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติธรรมได้ถึงขั้นไหนอย่างไรครับจะรู้ได้ด้วยตัวเองหรือต้องถามพระอาจารย์ให้ตรวจสอบใจอการปฏิบัติเนี่ยเราดูผลที่ใจเราว่า ความอยากเราน้อยลงไปความทุกขเราน้อยลงไปอันนี้เราก็รู้ว่าเราได้ผลแล้วนี่ผลแต่ละขั้นนี่มันถ้าเราอยากจะรู้ว่าขั้นนี้มันมีอะไรเราก็ต้องไปเปิดหนังสือดูเพราะว่าในหนังสือก็จะบอกว่าถ้าลดความอยากระดับนี้แล้วก็จะได้ขั้นนี้ลดความอยากระดับนี้แล้วก็จะได้ขั้นนี้ เหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้ว่าเรากำลังเดินเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเราไม่ดูป้ายเราก็จะไม่รู้ว่าเราไปถึงไหนเราก็ต้องดูป้ายนะถึงจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้ถึงศรีราชาแล้วถึงบางแสนแล้วถึงชนบุรีแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้ปักป้ายไว้เราก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแต่เรารู้ว่าเราก็ไปเรื่อยๆเราก้าวหน้าไปเรื่อยๆ งั้นจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้คือตามได้ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ปฏิบัติต่อไปไอะาหนัสึกพ่อตายปิดกไงในหนังสือเขาอยากจะรู้ขั้นไหนก็เขียนถามก o เกิลก็ได้นี่ครับอ่เดี๋ยวตอนนี้ว่าขั้นสสดาบันต้องทําอะไรบ้างอ่าอ่าต้องทําอะไรบ้างต้องตัดอะไรบ้าง แต่ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเราตัดกิเลสไปเรื่อยๆมันก็มันก็ได้ผลโดยที่เราไม่รู้ก็ได้ว่ามันว่าขั้นนี้มันชื่ออะไรแต่เรารู้แล้วว่าอ๋อตอนนี้เราไม่กลัวตายแล้วตอนนี้เราไม่กลัวเจ็บแล้วตอนนี้เราไม่มีความอยากที่จะหลับนอนกับใครแล้วมันก็รู้อยู่ในใจของเรานั่นแหละนี่มันจะมีชื่อว่าขั้นนี้ชื่ออะไรก็ไม่สำคัญนแต่แต่ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือดู คำถามข้อต่อไปจากคุณกันนัทธรมนนะครับอยากเอาบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงลับให้ได้รับจริงๆควรทำอย่างไรดีที่สุดคะก็ทำบุญแล้วก็ทิ้บุญไปเท่านั้นแ่ะเป็นวิธีเดียวสำหรับที่คนตายไปแล้วจะรับบุญได้แล้วผู้ที่ควรทำบุญด้วยควรเป็นใครใครก็ได้พระก็ดีคนก็ดีสัตว์ก็เลยได้ทั้งนั้น ตามแ้ใจเรามีความสุขแล้วก็ส่งความสุขนั้นไปให้เขาคําถามข้อต่อไปจากคุณจิตธรรมนะครับเวลานั่งสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าจิตเราสงบและมีวิธีให้เรานั่งสมาธิแล้วรักษาความสงบได้นานๆจะต้องทําอย่างไรครับผมนันก็เหมือนเวลาเรากินข้าวอะเรารู้ได้อย่างไงว่าเราอิ่มหรือไม่อิ่มใช่ไหม เวลานั่งสมาธิเราก็จะรู้อย่างนั้นเนะี่ยเวลาเวลาสงบกับไม่สงบมันจะต่างกันเวลาหิวกับอิ่มมันจะต่างกันนั้นใดเวลาสงบหรือไม่สงบมันก็จะเหมือนกับการกินข้าวนี่มันรู้ได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องไปถามใครว่าตอนนี้เราสงบห ร, รือยังอิ่มหรือยังคนหนึ่งเขาจะไปรู้เ ห, หรอคะคำถามข้อต่อไปจากคุณ พรสวรรค์ น, นะครับในกรณีที่ต้องทํางานกับหัวหน้างานที่มีนิสัยชอบละรานก้าวเล้าใส่ลูกน้องจะต้องปรับตัวปรับใจอย่างไรคะถึงจะทําให้สามารถทํางานร่วมได้ให้มีความทุกขลดลงก็ทําตัวเป็นลูกน้องอย่าไปทําป็ตัวเป็นเจ้านายเขาเป็นเจ้านายแล้วเราก็ยอมรับว่าเขาเป็นเจ้านายเราเขาจะเป็นยังไงก็เจ้านายก็ถูกเสมอ ก็ลปล่อยก็ล่าลานไปแล้วไปนุ่งย้องน่ะทำไงน่ะค <g ives> ำถามข้อต่อไปจต่คุณมาวินนะครับมีความทุกข์ใจในเรื่องการทํางานและเพื่อร่วม ง, งานลูกควรวางกําลังใจแบบใดหรือตั้งอารมณ์แบบไหนดีขอรับ <g ives> ก็อย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเราทําหน้าที่ของเราไปคนอื่นเขาจะทําไม่ทำเขาจะดีไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องของเรา เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ <S <S 1> <S 1> เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไปนอย่างนี้เราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาเปล่าๆคาถามจากคุณแอมนะครับหากบิดามารดาไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญบาปเราจะทำอย่างไรได้บ้างหาหนังสือธรรมะดีๆไปไว้ในบ้านเผื่อเขาอยากจะอ่านเขาก็เปิดอ่านดูถ้าเขาไม่อยากจะอ่านก็อย่าไปเคี่ยวเข็นเขาเพราะว่าเขายังไม่พร้อม แต่ให้มีหนังสือธรรมะไว้ในบ้านเผื่อววันดีคืนดีเขาไม่รู้จอ่ายไม่รู้จะหาอะไรอ่านดูมีหนังสือวางไว้เขาอาจจะเปิดอ่านก็ได้หรือไม่ก็รอให้เปิด facebook facebook live ดูพระอาจารย์คมื่ อ, อวมนก่อนเห็นสามีบอกว่าสามีไม่เข้าวัดมายี่สิกว่าปีเดี๋ยวนี้นั่งรองฟังพระอาจารย์ทุกวันเลยก็ดีแต่อย่าไปเที่ยวเข็นบังคับกันเท่นั้นเพราะมันจะไม่ได้ผล คำถามข้อต่อไปเจคุณมงคลนะครับถ้ากระผมจะออกบวชแต่ว่ามีหนี้อยู่แต่ว่าจะให้หักจากเงินบำนาญจนหมดอยากทราบว่ากระผมสามารถที่จะออกบวชได้ไหมครับถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ให้หมดถ้าหมดหนี้แล้วก็บวชได้ เวที่เราจะสนองงานคุบาจังในการที่จะช่วยจะถือแม่ธรรมะของข้าอย่าทำด้วยความอยากทําด้วยเหตุด้วยผลทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ดีอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องทําให้ได้ว่าเวลาทำแล้วไม่ได้มันก็จะหงุดหงิดลาคาญใจเสียใจได้ ทำไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยกำลังของเราด้วยปัจจัยต่างๆถ้ามันเอือ้อที่จะทำให้มันทำได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันควรจะมากังวลกับการเผยแพร่ทำให้กับตัวเราก่อนจะดีกว่าถ้าเรายังไปไม่ถึงไหนก็เอาเวลาที่เรามีอยู่มาปฏิบัติดีกว่ายกเว้นว่าในกรณีที่ ไม่มีใครมาช่วยเหลืองานแล้วเราก็อาจจะเสียสละเวลามาบ้างแต่อย่าให้มันถือเป็นกิจกรรมหลักให้ถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆรวันดีไม่มีใครทำแล้วเราทาได้เราก็มาทํแต่ถ้ามีคนอื่นทาก็ปล่อยเขาทำไปเราก็ไปทำกิจกรรมของเราเป็นหลัก กิจรกรรมของครูบาอาจารย์ก็รอดูจังหวะดูเหตุดูผลถ้ามันต้องเลือกระหว่างกิจรกรรมของครูบาอาจารย์กับกิจรกรรมของเราก็เอาของเราไปแหละไม่ต้องกังวนเลเรื่องของครูอาจารย์เพราะมันมันไม่สําคัญเท่ากับกิจรกรรมของเราทําของเราให้เสร็จก่อนถ้าไม่เสร็จมันก็ไม่เสร็จอยู่นั้นแหะตอให้ทํากิจรกรรมของครูบาอาจารย์ ให้ได้มากน้อยเพียงไรกิจกรรมของเรามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนพาาระอนุนเนี่ยดูแลกิจกรรมของพระเจ้าตัง้งยี่กว่าปีก็ไม่สําเร็จสักทีพอพระเจ้าตายไปไปปฏิบัติ3เดือนก็สําเร็จไปไเราเรากิจกรรมเราเป็นหลักแต่พระอนุนต้องทําก็เพราะว่าไม่มีใครทําได้รับมอบหมายจากสงฆ์ให้เป็นเป็นผู้รับภาระหน้าที่ มันก็อยู่ที่ท่าโนนอีกอ่ะถ้าเกิดท่าโนนอยากจะปฏิบัติจริงๆก็ขอลาออกได้พระทเจ้าก็ไม่จะไม่เลยเที่ยวเขินบังคับให้ทำหรอกท่านก็คงอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระพทเจ้าอย่างที่ว่า ย, ยังต้องศึกษาต้องเรียนรู้อีกมากถึงยังไม่อยากไปปฏิบัติตก็อันนี้ก็แล้วแต่จิตใจของเราว่าเราอยูอย่ในระดับไหนพร้อมที่จะไปปลีกวิเว่พร้อมที่จะไป ปฏิบัติตามลำพังของเราหรื อ, อยังถ้าพร้อมแล้วการอยู่ออกับครูบาอาจารย์มันก็มีภารกิจต่างๆที่อาจจะทําให้การปฏิบัติของเราไม่ได้เข้มข้นไม่ได้ต่อเนื่องเท่าที่ควรถ้าเราถึงเวลานะั้นเราก็จะรู้เองว่าเราจะทำยังไงแต่ก็โดยโดยหลักก็ให้ถือว่ากิจกรรมของเราสําคัญกว่ากิจกรรมของผู้ เพราผู้อื่นทำกิจกรรมให้เราแทนเราไม่ได้ไม่มีใครมาทํำงานหน้าที่ของเราได้แต่หน้าที่ของคนอื่นเราพอจะไปทําได้บ้างแต่หน้าที่ของเรานี้ไม่มีใครมาทําแทนเราบ้างเราต้องเอาหน้าที่ของเราเป็นหลักมีคําถามเข้ามาอ ย, ย่างมีแล้วครับอาจารย์จากคุณพัชรานะครับวันเปิดสามแดนโลกธาตุของหลวงตาเป็นอย่างไรครับ เราทำบุญวันนั้นดีกว่าอย่างไรก็ไม่ดีกว่าหรอกทวมาไหนมันก็ดีเหมือนกันะบุญมันไม่ได้อยู่ที่วันมันอยู่ที่ทำมากหรือทำน้อยทำมากมันก็ดีทำน้อยมันก็ได้น้อยแตงแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านชวนทาลูกศิษก็เลยกระตือรืลร้นมาร่วมทากันเพราะถ้าท่านไม่ชวนก็ไม่มีใครทำกันมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาว่า บอกครูบาอาจารย์บอกให้เปิดโล ก, กทธานุมันก็เลยตื่นเต้นดีใจกันเพราะถ้าท่านไม่ช่วยให้ทําก็ไม่ทํากันท่านก็เลยใช้โอกาสพอดีมันตรงกับวันตายของโยมแม่ท่านนะและท่านก็ถือเป็นธรรมเนียมที่จะทำบุญอยู่ที่ให้กับแม่ไปท่านนังที่แม่จะไม่ต้องรอรับบุญแล้วก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นอุบายให้คนอื่นที่มีพ่อแม่ ญาติสนิทมิตสหายที่ตายไปแล้วอาจจะรอรับบุญอยู่แล้วไม่มีใครทําให้กับเขาก็ได้ท่านก็เลยใช้อุบายวันตายของแม่ท่านนี่มาเป็นเหตุให้ได้มาจัดงานบุญกันแต่ท่านสอนให้ทําบุญทุกวันสอนให้ภาวนาทุกวันแต่พวกเรามันชอบทําแต่เฉพาะวันใหญ่ๆโตๆเพราะคิดว่าจะได้บุญเยอะ วันธรรมดาได้บุญน้อยอมีเคยขับรถเลยค่ะไปสวางด้วยอุดรที่สามสอะอะไรเขาเปิดเลยก่อนจะทำที่บ้านก็ได้เท่ากันเละใส่บาทที่บ้านแตนเดียวไ่ไปเเออมันอยู่ที่จำนวนเงินที่เราทำทำมากก็ได้มากอยู่ที่ไหนก็ทำได้เหมือนกันไปด้วยุดกระปุกไปด้วยค่ะไปสี่ด้วยอุดรนเน<อ>ี่ยออ พวกเรามันชอบมีอะไร เ, เป็นเหตุอะไรใหญ่โตอะไรบุญมากก็ชอบกันคำ ถ, ถามจะกคุณชัยดาพรนะครับว่าจะาถวายตัวเครื่องบินไปอินเดียให้พระรูปหนึ่งค่ะกับเราเอาปัจจัยส่วนนี้ไปทำบุญสังฆามกับคณะสงฆ์ใหญ่อันไหนดีกว่ากันคะก็แล้วแต่ว่า ถ้าที่เราให้ตั๋วไปนี้ท่านจะไปไปแล้วท่านจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่าตะคีดว่าไปแล้วทำให้ท่านบรรลุธรรมก็น่าสนับสนุนแต่ถ้าไปแล้วทำให้กิเลสท่านมากขึ้นก็อย่าอย่าอย่าอย่าไปดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณหุยจากมาเลเซียนะครับเคยอ่านในหนังสือเหมือนว่า วันพระใหญ่เช่นวันอาสาฬหบูชาหรือวันเข้าพรรษาเขาบอกว่าทางเบื้องล่างจะปล่อยวิญญาณมารับส่วนบุญหยุดการทําโทษขอความเห็นจากพระอาการค่ะไม่มีใครปล่อยใครหรอกมันเป็นความคิดกันไปเท่า น, นั้นเองมันทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติใครที่ติดอยู่ตรงไหนมันก็ต้องติดไปตามกฎแห่งกรรมนั่นแหละพอถึงเวลาบวช กรรมมันก็ปล่อยออกมาเองงั้นมันไม่ได้อยู่ตรงอยู่กับวันสําคัญทางศาสนาว่าวันนั้นจะมีการปล่อยเปรตปล่อยผีออกมาถ้ามันยังไม่หมดเวรหมดกรรมมันก็ยังต้องอยู่ต่อไปเหมือนคุกตารางเนี่ยทำไมเขาไม่ปล่อยออกมาวันพระวันเข้าพรรษาวันนักสหบูชานะแต่เขาปล่อยวันวันเฉลิมพระชนม์วันพรรษาในหลวงท่านมีบารมีท่านสามารถปล่อยพวกคนติดคุกติดตราง ให้ออกจากคุกจากจำลองได้แต่ในนรกนี้ในบาลนี้ไม่มีใครมาเปิดไม่มีใครมาปิดประตูหรอกใครก็มีคิดว่าวันชาวันอะไรถอยมาพูดแล้วก็กลับโตตขเหอัแล้วถ้าเกิดไน่ยอมกลับจะทาไงใครจะมาตามจับก็คิดบาบ้าบอไปว่าคิดไม่มีเห็นไม่มีผล คำถามจะคุณนานะครับพ่อแม่อยากให้เรียงสำเร็จและทำงานที่ดีเพือ่อเลี้ยงท่านตอแทนแต่โยมอยากจะทำสมาธิมุ่งสู่ทางธรรมก็ได้การทำสมาธิมุ่งสู่ทางธรรมเวลาบวชก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ดีไม่ดีพ่อแม่จะได้อาศัยผ้าเลลืองไปบวชอยู่กับพระด้วยหลวงมุตาท่านก็เอาแม่ไปอยู่ที่วัดไสอนธรรมะไปปฏิบัติธรรมที่วัด ฉะนั้นการไปไปปฏิบัติธรรมการไปบวชนี่มันเป็นวิธีที่ดีกว่าการไปทำมาหากินหาเงินหาทองหาเงินทองก็เลี้ยงร่างกายของพ่อแม่เท่านั้นแต่ไม่สามารถเลี้ยงจิตใจของท่านได้แต่ถ้าเราไปบวชนี่เราสามารถเลี้ยงจิตใจที่เป็นตัวของท่านได้ร่างกายไม่ใช่ตัวของท่านร่างกายเป็นคนรับใช้ท่านไปเลี้ยงคนรับใช้ของพ่อแม่ถ้าเราอยากจะรับใช้เลี้ยงพ่อแม่เราต้อง ใช้ธรรมะเลี้ยงพ่อแม่ถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็ต้องไปบวชไปปฏิบัติพอเรามีธรรมะเราก็จะสามารถเอาธรรมะนี้มาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ให้พ่อได้หลุดออกจากอุบายจากอบายให้พ่อหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิ ด, ดคําถามจากคุณบีนะครับการที่ใครมีบุญคุณกับเราเราเป็นหนี้บุญคุณเขาทางที่เขาเดือดร้อนไปถูกคนอื่นทําร้ายร่างกายมาแขนหัก ขอให้เราแก้แค้นเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณเราจะทำอย่างไรอ๋อไม่ถูกการตอบแทนบุญคุณก็พาเข้าไปรักษาตัว <Okay. S 2> ช่วยให้เขาฟื้นฟูชีวิตของเขาให้มากที่สุดเทาที่เราจะทำได้แต่เรื่องการไปไปไป <Okay. S 2> ล้างแค้นนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ทดแทนบุญคุณมันเป็นวิธีสร้างบาปสร้างกรรมไม่ควรจะทำ คำถามจากคุณสุธมานะครับเวลาภาวนาพุทโธควรนึกพุทโธไว้ที่ไหนในหัวกลางอกในใจหรือตรงไหนก็ได้เจ้าค่ อ, อลองไว้ที่ตรงคําว่าพุทโธนั่นแหละอย่าไม่ต้องไปไว้ที่ตรงไหนหรอกพุทโธอยู่ตรงไหนก็อยู่มันตรงนั้นน่ะ <c oughs> อยู่กับคําว่าพุทโธไปคําถามจากคุณแอนนะครับสามีติดงานนานมีหนี้สินมากมาย เราในฐานะภรรยาต้องนําเงินที่หามาได้เองจากการประกอบอาชีพสุดจลิตไปช่วยสานีให้ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ช่วยจะผิดหลักธรรมของการครองเรือนไหมก็อยู่ที่ว่าเรามีข้อตกลงกันยังไงเรื่องเงินทองว่าทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้นี้เป็นของคนทั้งสองคนมีเสียนทุกบาทที่มีอยู่ก็เป็นของคนทั้งสองคน ถ้าตกลงกันว่าอย่างนั้นก็ต้องรับภาระไปแต่ถ้ายากกันว่าของขายของมันก็ไม่ต้องอคำถามจากคุณศุนต์นันทานะครับพี่ชายที่โรงเรียนมักถามว่าปฏิบัติไปถึงไหนแล้วพี่แันก็ตอบพี่ชายไว่านั่งได้ชั่วโมงกว่าพี่ถามว่าได้นั่งหรือนั่งได้ตอบพี่ชายไปว่านั่งได้มันต่างกันที่ความสงบใช่ไหมเจ้าคะค่ะ ได้นั่งอาจจะไม่สงบก็ได้นั่งได้เลยแสดงว่าคงจะสงบเลยนั่งแล้วได้ความสงบเลยคำถามจากคุณน้ำอ้อยนะครับมีอยู่วันหนึ่งปลายปีห้าห้ามีงานที่อำเภอพนมทวนเมืองการลูกได้ไปร่วมพิธีด้วยพอเดินเข้าไปตรงเจดีหักลานยุทธหักศี ลูกสั่นมากๆร้องไห้เดินเข้าไปลูกเป็นอะไรเจ้าปะครอบคุมสติไม่ได้เนาะสมาลมไม่ได้คำถามยังมีอยู่ครับอาจารย์ตอนนี้อหมดแล้วเหรอก็พอสมควรแล้วมั้งวันนี้เนียใกล้จะหมดเวลาพอดีก็อขอให้ทุกท่านที่ได้มาทั้งที่บ้านและที่นี่